กล่าวถึงเพียงบางเรื่องเพราะฉะนั้นสาระสำคัญจึงอยู่ที่คุณงามความดีและอยู่ที่คติธรรมในนิทานนั้นๆหนึ่งเป็นที่ทราบกันว่าชาดกทั้งหมดมีห้าร้อยห้าสิบเรื่องแต่เท่าที่ได้ลองนับดูแล้วปรากฏว่าในเล่มที่27มีห2 5ย้าเรื่องในเล่มที่28มี22เรื่อง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 จัดตามจำนวนคำฉันน้อยขึ้นไปหามากและตั้งชื่อหมวดหมู่ตามจำนวนคำฉันนั้นคือเอกนิบาตชาดกชาดกที่ชุมนุมคำฉันบทเดียวมี150เรื่องทุกนิบาตชาดกชาดกที่ชุมนุมคำฉันสองบทมีหนึ่งรเรื่องติกานิบาตชาดกชาดกที่ชุมนุมคำฉันสามบทมี50สบเรื่องดังนี้เป็นต้น ในเล่มที่27มีจนถึงจัดตาลีสนิบาตชาดกคือชาดกที่ชุมนุมคำฉันสี่สบทมีห้าเรื่องส่วนเล่มที่28มีชุมนุมคำฉัน50บบท60บทเจบทและ80บทและมีมหานิบาตคือชุมนุมเรื่องใหญ่สิบเรื่องอันมีมหาเวสันดรชาดกเป็นเรื่องสุดท้ายเป็นอันว่าพระตรปิฎกที่ว่าด้วยเรื่องชาดก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 นกทั้งหลายชื่นชมต่อกันคือสามารถขีกันก็พาเอาไขา่ไปได้เมื่อใดนกเหล่านั้นทะเลาะกันเมื่อนั้นก็มาสู่อำนาจของเราหมายเหตุนพรานพูดเมื่อนกกระจาบติดไข่เพราะทะเลาะและเกี่ยงแย่งกันไม่เหมือนคราวแรกๆที่ยังสามารถขีกันบินขึ้นพร้อมกับนําเอาไขา่ที่ดักไว้ไปติดบนต้นไม้และรอดชีวิตไปได้